ท่านมันไม่ได้เรื่องท่านมันไรน้ํายานี่ก็คงเป็นคําพูดคุ้นหูที่ลูกๆแล้วก็คนในบ้านมักจะได้ยินกันเป็นประจำนะคะซึ่งมันก็เป็นเสียงต่อว่าของภรรยาผู้หนึ่งค่ะที่มักจะโบประมาทสามีตัวเองอยู่เป็นประจำซึ่งผิดวิสัยภรรยาที่ดีอย่างยิ่งแรกๆนั้นภรรยาคนนี้เป็นคนดีพูดจาไพเราะอ่ อ, อ, อนหวานแต่ว่าไม่ใช่นิสัยของนางค่ะที่นางทําเช่นนั้นก็เพราะว่านางกลัวว่าสามีจะทิ้งตัวเองไป พอตัวเองมีบุตรให้กับครอบครัวสามีสองคนแล้วก็เริ่มทําตัวไม่ดีเพราะเห็นว่าอย่างไรสามีก็คงไม่ทิ้งตนเป็นแน่แท้งานบ้านก็เริ่มไม่ทาซ้ำร้ายยังชอบพูดจาดูถูกสามีตัวเองและนานวันก็เริ่มหนักข้อขึ้นทุกวันจนสามีเริ่มที่จะเหนื่อยหน่ายหัวใจจนกระทั่งวันหนึ่งสามีของนางก็ได้พาภรรยาใหม่เข้ามาซ้าร้ายในยท้องของภรรยาใหม่ก็ยังมีบุตรอีกงหาก ดังนั้นค่ะจึงไม่แปลกอะไรเลยที่ภรรยาเก่าจะรู้สึกหึงหวงกลัวว่าสามีนั้นจะหลงภรรยาใหม่แล้วก็ลูกใหม่จนตัวเองแล้วก็ลูกไม่ได้สมบัติเงินทองอะไรติดตัวเลยหนักไปกว่านั้นก็กลัวอีกนะคะว่าจะให้ภรรยาใหม่มากกว่าตนค่ะข้าต้องหาทางกำจัดนางและลูกให้ได้ภรรยาเก่าคิดร้ายฝ่ายภรรยาเก่านั้นคิดหาหนทางอยู่นานจนในที่สุดก็ได้แผนชั่วร้ายในการกาจัดลูกในท้องของภรรยาใหม่ได้ เช้าวันรุ่งขึ้นนะคะนางก็เข้าไปที่ร้านขายยาซื้อยาขับลูกมาหนึ่งชุดจากนั้นก็ต้มยาเพื่อให้ภรรยาใหม่ดื่มโดยนางรู้อยู่แล้วแหละน ะ, ะว่าทุกๆเช้าหญิงรับใช้จะต้องต้มยาบำรุงให้กับภรรยาใหม่แล้วนางก็หาโอกาสมอมม่อเนี่ะล่อหญิงคนใช้นั้นให้ไปไกลๆหม้อยานี่ช่วยไปซื้อของให้ฉันหน่อยสิฉันต้องการผักมาทํากับข้าวให้คุณผู้ชายภรรยาใหม่กล่าวกับหญิงรับใช้แต่ข้ายังต้มยาไม่เสร็จเลยนะคะในหญิง หญิงรับใช้ตอบนี่ข้าใช้เจ้าไม่ไปหรอไปซื้อผักแค่นี้ไม่กี่นาทีส่วนยาเนี่ยข้าจะดูให้เองไปสิภรยาเก่าดุหญิงรับใช้ฝ่ายหญิงรับใช้ไม่มีทางเลือกค่ะก็เลยได้เดินทางไปซื้อของให้กับภรยาเก่าอย่างไม่เต็มใจสักเท่าไหร่ซึ่งในระหว่างนั้นเองภรยาภรยาเก่านี่ยะคะก็ได้สับเปลี่ยนยาบำรุงกับยาขับเลือดเพื่อให้ภรยาเก่าตกลูกนั่นเองค่ะ เมื่อหญิงรับใช้กลับมานางก็เอาผักให้ภรรยาเก่าจากนั้นก็รีบตักยาที่โดนสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วไปให้กับนายหญิงของนางเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นท่ามกลางความกระหยิมยิ้มย่องของภรรยาเก่าเพราะรู้สาเหตุที่มาของเสียงดังกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นฝ่ายภรรยาเก่า น, นั้นก็รู้สึกยินดีปิติอย่างยิ่งค่ะในขณะที่คนในบ้านกําลังเดือดร้อนแล้วก็กําลังรู้สึกเศร้าสลด เพราะต้องสูญเสียเด็กน้อยที่ยังไม่มีโอกาสแม้แต่การลืมตาดูโลกเลยโดยเฉพาะฝ่ายสามีแล้วก็ญาติคนอื่นๆต้องเป็นนางแน่ๆ น, นางต้องเป็นคนแอบเอายาขับเลือดให้ในายหญิงน้อยดื่มหญิงคนรับใช้คนดังกล่าวกรีดร้องขึ้นนะคะทำให้คนอื่นๆในบ้านเริ่มที่จะสงสัยภรรยาคนแรกของชายคนดังกล่าวแม้กระทั่งสามีของนางเองค่ะถ้าไม่รู้เรื่องอย่ามากล่าวหาส่งเดชสิ นางกล่าวงั้นเจ้ากล้าสาบานไหมละ่ะสามีของนางท้าเมื่อเห็นว่าทําอย่างไรนางก็คงไม่ยอมรับสารภาพแน่นะคะฝ่ายภรรยากล่าวนั้นเงียบไปสักครู่หนึ่งแต่ด้วยความที่เกรงว่าจะต้องถูกขับไล่ออกจากบ้านมีมากกว่าก็เลยได้เอ่ยคําสาบานออกไปบอกว่าทําไมจะไม่กล้าหากว่าข้าเอายาขับเลือดให้แก่นางดื่มจริงขอให้ชาติหน้าข้าตกนรกขุมที่เร็วร้ายจากนั้นก็เกิดเป็นเปรตที่มีกายเน่าเหมน็นมีเลือดออกเต็มตัวตลอดเวลา ยังกินลูกของตัวเองที่เพิ่งคลอดออกมาคราวละเจ็ดคนอีกด้วยหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังนางก็เอ่ยคําสาบานอย่างกล้ากลก ล, กลัวๆแต่พอเอ่ยไปแล้วนางก็ร่ายยาวบอกในเมื่อเจ้ากล้าสาบานข้าก็จะเชื่อเจ้าดูสักครั้งหลังจากนั้นทั้งหมดก็อยู่กินกันไปท่ามกลางความริษยาและก็ความวุ่นวายโดยไม่รู้จบสิน้นจนกระทั่งในที่สุดค่ะภรรยาเก่า ก็ได้ถึงแก่กรรมก่อนใครและเมื่อนางได้ตายไปนางก็ไปเกิดในนรกนะฮะอย่างทุกทรมานแสนสาหัสและเมื่อผลจากนรกแล้วนางก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตต่อตามที่นางสาบานเอาไว้ลักษณะรูปกายของนางนั้นเป็นไปตามที่นางสาบานเอาไว้ทุกประการนางเป็นเปรตที่มีกลิ่นกายเน่าเหม็นกลิ่นนั้นโชยไปทุกสารทิศ ผิวกายก็มีเลือดไหลออกมาอยู่ตลอดเวลานางกินอาหาร2มือ้อคือมื้อเช้ากับมื้อเย็นโดยนางจะตั้งคันแล้วก็คลอดบุตรคราวละ7คนค่ะเมื่อคลอดออกมาแล้วนางก็จะกินบุตรของตัวเองเป็นอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นนั่นเอง ชีวิตของนางนั้นทุกทนแสนทรมานแล้วก็ต้องชดใช้กรรมไปถึงเมื่อไหร่นางเองก็จะไม่อาจรู้ได้แต่ว่าที่แน่ๆนะคะหากว่านางสามารถย้อนเวลากลับไปได้นางคงอยากจะเลือกที่จะสารภาพเรื่องทั้งหมดมากกว่าการที่จะต้องมาตกอุรกรรมลำบากแล้วก็หากว่านางจะเลือกจริงๆนั้นนางก็คงจะเลือกที่จะได้ไม่ว่าไม่ด่าสามีของตัวเองนะคะสามีจะได้ไม่มีภรรยาใหม่แล้วนางก็จะได้ไม่ต้องมานั่งอิจฉาริษยาค่ะ ในการนั้นขณะที่นางเป็นเปรตกำลังทนทุกข์ทรมานอยู่ก็มีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งได้เดินทางผ่านมายังบริเวณดังกล่าวแล้วท่านก็ได้ตัดสินใจพำนักอยู่บริเวณนั้น และในคืนนั้นเองนะคะท่านก็ได้กลิ่นเหม็นโชยมาแตะจมูกซึ่งทีแรกนั้นพระภิกษุ ร, รูปนี้ตั้งใจจะพมนักที่บริเวณดังกล่าวเพียงคืนเดียวแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะท่านก็เลยตัดสินใจที่จะพมนักในบริเวณนี้อีกคืนหนึง่งเพื่อที่จะดูให้ดูแน่ว่ากลิ่นที่โชยมานั้นมันเป็นกลิ่นอะไรกันแน่และในคืนที่สองนั่นเองค่ะพระภิกษุ ร, รูปนั้นก็ได้พบกับนางเปรตที่กําลังทนทุกข์ทรมานอยู่ เมื่อท่านเห็นนางเปรตพระท่านก็รู้สึกเวทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเนื้อตัวและก็กลิ่นของนางนั้นเหม็นโชยน่าเศร้าเป็นอันมากโยมเป็นใครกันและเหตุใดถึงมีกลิ่นที่เหม็นเน่าแบบนี้เมื่อถามไปนางก็ร้องไห้ไปพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้กับพระภิกษุรูปนั้นได้ฟัง เมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้ฟังเรื่องราวของนางแล้วก็รู้สึกเวทนายิ่งนักค่ะก็เลยคิดอยากจะทำกุศลช่วยเหลือนางหากว่าท่านจะกรุณาก็ช่วยบอกกับสามีให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อจะได้ไปเกิดไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้นางเปรตกล่าวได้อาตมาจะช่วยโยม หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังพระภิกษุก็ได้เดินทางไปที่บ้านของสามีนางเปรตซึ่งปัจจุบันก็ได้แก่ชาราลงไปมากแล้วแล้วก็ในปัจจุบันนั้นก็ได้ใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่กับภรรยาใหม่ในเมืองแล้วก็บ้านหลังเก่านั่นเองค่ะ ฝ่ายสามีและภรรยาใหม่นั้นมีจิตที่เป็นกุศลมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อเห็นพระภิกษุเดินอยู่บริเวณดังกล่าวก็ได้นิมนต์นะคะเข้ามาเพื่อรับบิณฑบาตโดยทั้งคู่ก็ได้ไปเตรียมข้าวปลาอาหารแล้วก็ปัจจัยต่างๆมาถวายโยมทั้งหลายพระภิกษุกล่าวเมื่อเข้ามาในบ้านของสามีนางเปรตค่ะอัตมามีนิทานจะเล่าให้ฟัง จากนั้นพระภิกษุก็ได้เล่าเรื่องราวที่ได้ยินมาจากนางเปรตให้สามีของนางแล้วก็ภรรยาใหม่ฟังซึ่งทั้งสองก็รับฟังด้วยอาการที่สงบนิ่งแต่ก็มีความแปลกใจเล็ดลอดออกมาให้เห็นบ้างหากว่าโยมเป็นสามีและภรรยาใหม่ของสามีนางพวกโยมจะให้อภัยหรือไม่ พิสุถ่ายถามหากเป็นข้าพเจ้าก็จะไม่ถือโทษพระนางเองก็ได้รับผลกรรมมามากพอแล้วและข้าพเจ้าก็รู้สึกเวทนานางเป็นยิ่งนักหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะช่วยเหลือให้นางได้พ้นทุก์จากเวรกรรมทั้งหลายสามีของนางกล่าวค่ะการให้อภัยเป็นทานที่ใหญ่หลวงแต่หากท่านอยากจะช่วยจริงๆอัตมา ก, ก็มีวิธีพระภิกษุกล่าวจากนั้นสามีแล้วก็ภรรยาใหม่ของอสามีนางนะคะก็ได้ทําบุญทําทานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ กับนางเปรตจนในที่สุดค่ะนางเปรตก็พ้นจากการเป็นเปรตแล้วก็ได้ไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วก็มีความสุขแน่นอนนะคะว่านางก็ไม่คิดว่าจะทำกรรมทาบาปกับใครอีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะในพุทธชาดกนะคะเกี <S <S ่ยวกับเรื่องเปรตนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของเปรตกินลูกนะคะ ทีนี้พาคุณผู้ฟังมาฟังอีกเรื่องหนึ่งกันก่อนดีกว่าเป็นเรื่องของสมิงที่บ่อพลอยเรื่องราวของคุณอาร์ต ท, ที่ได้กรุณานํามาถ่ายทอดให้อีกทีหนึ่งเรื่องราวยิอยู่ว่าเมื่อครั้งกึ่งพุท ธ, ธากาลค่ะเรื่องของเสือสมิงที่บ่อพลอยก็ถือได้ว่าเป็นอาถรรพ์ป่าดงดิบอนาเสียศสยองนะคะที่ชาวบ้านโจท จ, จันกันมาถึงลาดย่าแล้วก็แพร่หลายไปยังตัวเมืองกาญจนบุรีในขณะนั้นแม้ว่าจะเป็นกิ่งอำเภอแล้วก็ตามแต่ว่าบ่อพลอยก็ยังค่อนข้างจัตุรกันดานค่ะ จากลาดหญ้าเข้าไปก็จะมีแต่ป่าดงห่นทางคดเคี้ยววกวนเวียนไปมาตามธรรมชาติก็จะมีแต่รถซุ่งเล่นผ่านไปมามีอ่าซุม้มเผาถ่านเป็นระยะลึกๆเข้าไปก็จะมีชุมตัดไม้แล้วก็จะทำไร่เลื่อนลอยปลูกกระท่อมอยู่ห่างกันแค่สองสามหลังเสือและช้างยังเป็นเจ้าถิ่น วันดีคืนดีเนะะีะเจ้าจมูกยาวก็จะบุกเข้าไปทำลายกระท่อมราบเป็นหน้ากลองใครจะเข้าบ่อพลอยเนี่ยต้องแยกจากเส้นทางรถสุงแล้วก็ย่ำป่าไปเกือบ10กิโลเมตรกว่าค่ะถึงจะถึงปากทางเห็นถนนลูกรังสีแดงเส้นเดียวตัดตรงซ้ายมือเป็นหมู่บ้านแล้วก็ห้องแถวที่เครือฝุ่นกับร้านค้า ขวามือเป็นที่ทำการของหลวงมีบ้านพักกระจายอยู่ราวสี่ห้าหลังมีรถกระบะขนของกินของใช้จากจังหวัดอื่นมาส่งนะคะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็คือวันจันทร์กับวันพฤหัสค่ะวันนั้นก็จะมีโอเลี้ยงมีกาแฟเย็นมีชายเย็นกินกัน เพราะว่ามีน้ําแข็งมาส่งด้วยวันไหนมีการฆ่าหมูซึ่งต้องเสียค่าอาชญาบัตรห้าสิบบาทไม่ว่าจะเป็นพวกกะเหลียงบนขาหรือบ้านไหนก็ตามชาวบ้านที่รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อวานก็จะเดินบ้างขี่จักรยานบ้างมาซื้อหมูที่นี่ถึงที่นะคะตั้งแต่เช้าเลยตกซ้ายก็ขายกันหมดเกลี้ยงไม่ว่าเครื่องในหมูหรือแม้แต่เลือดหมูค่ะและวันนั้นที่ร้านกาแฟก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูขายด้วยบอ่อพลอยแวดล้อมไปด้วยขุนขาลําเนาไพร ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็แบกปืนเข้าป่าล่าสัตว์หาตีพึ่งหาสมุนไพรโดยเฉพาะหน่อไม้ถือว่าเป็นอาหารสำคัญเพราะว่าจะมีหน่อไม้ลวกต้มใบยะนางหาบขายพอๆกันกับน้ำขาวไม่มีอะไรก็เอาหน่อไม้จิ้มเต้าเจี้ยวกินกับข้าวได้ทั้งบ้านนะคะก็มีพวกพริกผักสดผักต้ม แถมด้วยเนื้อเค็มปลาเค็มแล้วก็มีแกงส้มสักหม้อนหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแล้วอยู่ๆก็เกิดข่าวใหญ่ค่ะว่าไอ้ลายพาดกรอนขนาด8ศอกเนี่ยมาคาบชาวบ้านที่เข้าป่าไปกินถึงสองคนคนแรกก็ยังพอว่าแต่เมื่อตามไปเจอซากศพคนต่อมามีปืนแก๊ปตกอยู่ใกล้กับซากที่แทบจะเหลือแต่ซี่โครงนะคะก็ล่ําลือกันไปต่างๆนานาว่าเจ้ะเป็นเสือเจ้าบ้างเสือสมิงยิงไม่อยู่บ้างจนถึงกับบอกกันว่าคงเป็นเสือลำบาก ล่าคนง่ายกว่าล่าสัตว์อื่นบางคนก็เชื่อว่ามันได้ลิ้มรสชาติของเนื้อมนุษย์แล้วก็เกิดติดใจค่ะใครเข้าป่าก็ต้องระวังเงาหัวตัวเองให้ดีไม่รู้ว่าเจ้าป่าจะมาดักซุ่มที่ไหนถ้าไม่รู้ตัวมัวแต่ตกใจได้ยินเสียงโฮกเข้าใส่เนี่มีหวังมืออ่อนตีนอ่อนโดนมันขย่ำคอหอยลากไปกินเอาง่ายๆปัญหาอยู่ที่ว่าเสือโคร่งตัวนี้มันมาจากไหนบางก็บอกว่ามาจากศรีสวัสดิ์ บ้างก็บอกมาจากเขตอูไทยกับทุ่งใหญ่นเรศวพรพอได้ข่าวว่ามีพรานป่ากับพรานกรุงเข้าไปล่าสัตว์กันคึกคักพวกเสือช้างกวางเก้งก็ตะเลิดหนีตายกันไปกระจัดกระจายมาจนถึงบ่อพลอยค่ะชาวบ้านแทบไม่เป็นอันท ร, รมามหากินเมื่อได้ข่าวว่ามีคนเห็นมันมาป้วนเปี้ยนใกล้ๆบ้านทิ้งรอยตีนขนาดชามคมไว้เขย่าวขวัญ ค่ำคืนได้ยินเสียงร้องออกมาจากป่าดงฟังแล้วสยองใจประหนึ่งว่าร้องอยู่หน้าบ้านก็ปานกันก็มีการจัดคณะล่าเสือกินคนขึ้นมาค่ะตะแก่นพรานใหญ่เป็นหัวหน้าเจ้ากิ่งกับเจ้าดันเนี่ยอาสาตามไปล่าเสือด้วยก็คิดว่าได้การแน่เพราะเพิ่งได้ข่าวว่ามันลงมากินน้ําที่หนองเบี้ยเมื่อคืนก่อนนี้เองทีนี้ขณะที่กําลังตระเวนเตรียมกันอยู่นั้นสาวเดือนวัยเจวัยสิปีนะคะก็ออกไปหาหน่อไม้ใกล้ๆบ้าน สาวเดือนเนี่ยก็โดนไอ้ลายลากไปกินแล้วชาวบ้านได้ยินเสียงหวีดร้องก็รีบเข้าไปช่วยแต่พอเข้าไปก็พบเพียงแค่กองเลือดเท่านั้นเจ้าดันเนี่ยแทบคลั่งขาดใจตายเพราะว่าเดือนเนี่ยเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องของมันเองรีบไปกันเถิดนะแก่นไอ้กิ่งถ้ายิงมันไม่อยู่ข้าสาบานว่าข้าจะไม่กลับมาเหยียบบ่อพลออีกเด็ดขาด ก็เป็นอันว่าคนทั้งสาหอบหิ้วปืนผ่านหน้าไม้กับเสบียงกลังพอสมควรเข้าป่าในวันรุ่งขึ้นมั่นอกมั่นใจค่ะว่าเสือกินคนมันยังคงป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นอย่างแน่นอนคืนแรกเท่านั้นพรานทั้ง3ก็เจอดีเข้าอย่างจังค่ะป่าเปลี่ยวมืดดำล้อมรอบกายมีแต่กองไฟพอกันหนาวกับป้องกันภัยเจ้าดันพึ่งรับยามต่อเจ้ากิ่ง ผู้เข้านอนห่มผ้าห่มอยู่ข้างๆพรานแก่นใต้ร่มว่ารุนพินอ่ารุนฟืนเข้ากองไฟจนลุกโผลงเสียงดังเปรี้ยนะคะเจ้าดันก็วางปืนไว้ข้างๆแล้วก็มวนยาสูบแก้ดาคานลมดึกคร่ำครวญวู้วิวมาตามยอดไม้เสียงเก้งร้องดังเป๊ะเป๊ดังขึ้นมาใกล้ๆเสียงคล้ายผู้หญิงร้องเพลงก็ดังแทรกขึ้นมาสะกดความรู้สึกให้พระมืนประหนึ่งต้องมนสะกด มองหาว่าใครกันหน้ามาร้องเพลงอยู่ในป่าดงยามนี้ก็พอดีมองเห็นเต็มตาว่าสาวชาวป่าผมยาวร่างอ่อนแอเดินหน่วยนาดเข้ามาแต่เมื่อเปลวไฟฮือโ ห, หมตามแรงลมเข้าไปหาก็ชะงักยกแขนป้องกันไอรอนแล้วก็ควันเจ้าดันจ้องมองพลางร้องถามไปว่าใครสาวคนนั้นลดมือลงแล้วก็ยิ้มหวานหน้าแดงเรื่อๆค่ะด้วยแสงไฟเต้นวูบว่าห็นถนัดตาว่าเป็นเดือนเจ้าดันลุกพรวดพลาดขึ้นเองยังไม่ตายสาวเจ้าสายหน้า พลงกวากมือเรียกญาติผู้พี่เข้าไปหาเจ้าดันก็รีบถลาไปด้วยความดีใจค่ะลืมปืนคู่มือซะสนิทสนมพรานแก่นหูตาไวตามนิสัยพรานก็ลุกขึ้นมามองเห็นภาพตรงหน้าก็ร้องลั่นไอ้ดันอย่าไปนะมึง แต่ช้าไปแล้วคุณผู้ฟังเจ้ากิ่งลุกขึ้นมาร้องเอะอะพร้อมกับเสียงเจ้าป่าคำรามลั่นตามด้วยเสียงตะโกนด่าอย่างบ้าคลาั่งจุลมุนวุ่นวายโ ด, ย, ดยสับสนในแสงไฟวูบว่าไปมาตามแรงลมไม่หยุดหย่อนพรานแก่นกับเจ้ากิ่งนี่คว้าปืนขึ้นมาแต่ยังไม่ทันจะออกวิ่งตามค่ะเจ้าดันก็โซซัดโซเซกลับเข้ามาเลือดเปรอะหน้ากับท่อนแขนในมือยังกลุมมีดด้ามยาวเอาไว้แน่นผีนางเดือน มันคลางก่อนจะทิ้งตัวลงนอนหงายหายใจรวยรินข้านึกว่าคนที่ไหนได้ละ่ะพอเข้าใกล้กลายเป็นไอ้ลายโฮกเข้าใส่เกิดมาไม่เคยเห็นไอ้ลายที่ไหนจะใหญ่เหมือนวัวเหมือนควายขนาดนี้โอ้ยถ้าไม่ได้มีดเล่มนี้ช่วยแหวกข้ของไม่รอดแน่ๆตาแก่นปราดเข้าไปดูแผลด้วยความห่วงใยค่ะเห็นว่าไม่หนักหนาอะไรก็ให้มันนอนพัก ลุงแก่นแกก็เลยอาสานะคะเฝ้ายามต่อจากนั้นไปจนรุ่งขึ้นค่ะเจ้าดันก็ยิ่งนิ้วหน้าขบกรามคำรามเบาๆอยู่ในลำคอไม่หายแค้นเครื่องเจ้ากิ่งหุงข้าวกินแล้วก็ออกติดตามรอยเสือที่ย่ำเป็นเทือกอยู่ไม่ไกลนักครั้นตกสายพรานแก่นก็ชี้ให้ดูรอยใหม่แล้วก็กระซิบกระซาบว่าให้เตรียมตัวนะเสือสมิงอยู่ใกล้ๆนี้แหละแต่ว่าเลยเที่ยงแล้วก็ยังไม่มีวี่แววอะไรค่ะ รอยเท้ามือหือมานำหน้าออกให้ตามนั้นดูวนไปวนมาราวกับเสือเจ้าเล่ห์เาวังกับดักหรือว่าเป็นฝ่ายหาโอกาสล่าพรานเอาซะเองแล้วรอยตีนนั้นก็หายไปที่ลำธารตื้นๆไหลรินลับหายไปในซุ้มไผ่ที่โน้มลงมาหากันทั้งสองฝั่งราวกับจะบดบังความลี้ลับของป่าดงอาถรรพ์ไว้อย่างมิดชิดตลอดกาลเจ้ากิ่งลุยน้ำข้ามฟากไปสำรวจดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาแบบสายหน้า พลันแก่นเกาหัวอย่างอัศจรรย์ใจแต่เจ้าดันเงยหน้าค่ะเลี้ยวซ้ายแลขวาเงียวหูฟังเสียงผิดปกตินอกจากเสียงน้ำเซาะโขดหินแล้วนะคะครั้นแล้วก็บุยปากไปทางขวาค่ะเห็นอ้อยช้างยืนตีแผ่กิ่งก้าน ร, ร่มใบครึ้มไม่ห่างจากซุ้มกระไผ่นั้นนัก เสือสมิงจะเล่ลงลุยน้ำไปแล้วก็ย้อนขึ้นมาฝั่งเดิมด้วยผีสิงเข้าดนใจมันพรานแก่นพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้กระชับปืนเตรียมพร้อมแยกย้ายกันเข้าหาเสือร้ายที่อาจจะซุ่มซ่อนหาโอกาสกระโจนเข้าใส่ได้ทุกขณะจิตเจ้าดั่นหลับตาไปแล้วตาทั้งตาเงียบงนัน พรานแก่นแทบกลั้นหายใจจ้องเปลงไปที่ซุ้มไม้รกทึบใกล้ ก, กันกับต้นอ้อยช้างสะดุดผางจนหัวขมาค่ะเจ้าดันก็ทลันออกมาเต็มตัวพรานแก่นตั้งหลักได้ก็ประทับปืนเข้ากับบาเหนียวไกลเสียงดังตุม้มนะแกน่นเจ้ากิ่งตามมาร้องเสียงลั่นยิ่งผิดแล้วน้ามันไอ้ดัน พร้อมๆกันนั้นก็มีเสียงคำรามเหมือนฟ้าผ่าค่ะเจ้ากิ่งยืนตะลึงอ้าปากเมื่อเห็นเจ้าดันกระเด็นไปเสือโครงตัวมหืมาโฮกสนั่นกระจนเข้าใส่พรานแก่นซัดตูมเข้าอีกนัดร่างนั้นก็หล่นลงมาสิน้นฤทธิ์ค่ะเจ้ากิ่งหน้าซีดข่าอ่อนคล้ายจะเป็นลมนแก่นยิงไอ้ดันแล้วไอ้ดันกลายเป็นเสือจะขย้ำเราตายนแก่นรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่ไอ้ดันพรานแก่นยกหลังมือปาดเหงื่อที่หน้าผากบุ้ยปากไปที่โคนไม้ใหญ่ก่อนถอนใจ ถ้าไม่สะดุดไอ้นั่นก่อนข้าคงจะโดนเสือสมิงขยบหัวตายหงไปแล้ว จ้ากิ่งก้มลงมองร้องเสียงหลงก่อนที่จะล้มตัวลงนั่งอย่างสิ้นเรี่ยวแรงเมื่อเห็นซากศพของเจ้าดั่นถูกกัดกินเวะแวะหน้าท้องถูกฉีกกระชากเลือดแดงเถืออมดคันไฟเนี่ ย, ยเอยอะแยะกับมแมลงวันตอมหึงและนี่ก็คือเรื่องราวเสือสมิงที่บ่อพลอยที่กลายเป็นตำนานตั้งแต่นั้นสืบมาขอพระคุณข้อมูลเรื่องเสือสมิงบ่อพลอยที่กลายเป็นตำนานจากเว็บเอมไทยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรายการพระเจอผีของเราด้วย อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะเราติดตามรับฟังดูว่าบีจะนำเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ